ใจให้สบายทำกายของเราให้สบายอย่าไปกังวลอะไรดับความกังวลต่างๆออกไปให้หมดกายสบายใจสบายนั่นแหละคือสุดยอดของทุกคนที่จะต้องเข้ามาทำความเข้าใจไม่ต้องไปรีบเร่งไม่ต้องไปกังวลอะไรเิดโอกาสดีของทุกคนกายก็วางจากภาลานาทีการงานมาวันสองวันสามวันกายก็ได้พักผ่อนใจก็ได้พักผ่อนวันบาง ภาระหน้าที่การงานที่เราเคยทําอยู่ประจำสารวจตัวเราเพื่อ ต, ตื่นขึ้นมาเรายังขาดตกปกพ่องอะไรภาระหน้าที่การงานของเราอะไรยังไม่เรียบร้อยความรับผิดชอบของเราสูงหรือไม่ความเห็นแจ Schon ็ดตัวของเรามีเราก็พยายามละความเห็นแจ็ดตัวไม่เอารัดเอาเปรียบหมู่คณะมีความซื่อตรงตัวตัวเองพยันมั่นเพียรทํางานให้ดีมีความรับผิดชอบที่สูงมีความสมัครสมานมัครีกัด อันนี้ก็เป็นอานิสงค์ของทุกคนนะประภากันมาสร้างมาทำเอาแล้วก็สูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆสักสองสามเที่ยวสูดลมเข้าไปยาวๆให้เป็นธรรมชาติความคิดต่างๆที่เกิดจากกิจส่งไปภายนอกเขาก็จะหยุดความกังวลความพุ้งสงันต่างๆเขาก็จะหยุดกายของเราก็รู้สึกว่าสบายขึ้นสัมผัสของลมหายใจที่วิ่งเข้ากับของเรามีความรู้สึกรับรู้อยู่นั่นแหละเราพยายามสร้างความรู้สึกให้่อเนื้อ ความรู้สึกพลังเผอไปหรือวันลดไปเราก็พยายามสร้างความรู้สึกขึ้นมาใหม่พยายามทำให้ต่อเนื่องความรู้ตัวก็จะต่อเนื่องสัมปชัญญะก็จะต่อเนื่องแต่ส่วนมากเราไม่ค่อยจะสร้างความรู้สึกตัวให้ต่อเนื่องจะเอาเรื่งแต่ปัญญาอย่างเดียวปัญญาที่เกิดจากจิตเกิดจากความคิดบุกแติกอันนั้นก็เป็นปัญญาโลกีซึ่งไม่ใช่ ปัญญาที่จะเข้าไปดูรู้เท่าทันจิตรู้เท่าทันลักษณะของความคิดที่ผุดขึ้นมาปงแต่งจิตเรารู้อยู่แต่เราไม่ได้สร้างผู้รู้เข้าไปแยกเข้าไปคลายความหลงจุดแรกเราต้องมาสร้างความเรื่ตัวให้เกิดความเคยชิด ต, ตั้งแต่อย่างไม่ลุกจากที่จะผาละนาที่การงานหรือว่าความคิดปัญญาทางโลกถึงจะมีมากมายถึงขนาดไหน็อย่าเพิ่งเอามาโต้แย้ง ให้เราพยายามสร้างความรู้สึกให้ใต่อหนึ่งถ้าพลังเผอเราก็เริ่มใหม่จิตของเราจะคิดไปภายนอกเราก็พยายามกระตุ้นความรู้สึกขึ้นมาใหม่จิตก็จะกลับมาอยู่กับลมหายใจกลัวว่าจะไม่ได้คิดไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีปัญญาปัญญาเก่าของเรามีเต็มล้อยเราก็ต้องพยายามคลายของเก่าออกให้เรืออยุดที่ความมวยสุดคือความว่างคือเริ่มจากศูนย์ความว่างนั่นแหละคือดวงจิต ทำไมจิตของเราถึงส่งออกไปภายนอกทําไมจิตของเราถึงไปหลงเอาขันห้าจนเกิดอัตราโดโดต้นทําไมจิตของเราถึงเป็นธาตุของอารมณ์ธาตุของกิเลสเราต้องสร้างร้างความรู้ตัวเข้าไปสะสร้างเข้าไปคลายจิตออกจากความหลงเราก็ตามทําความเข้าใจให้จิตยอมรับความเป็นจริงเขาถึงจะปล่อยเขาถึงจะวางได้ปัญญาไปค้นหาเหตุค้นหาผลไม่เจอรอ ปัญญาที่เกิดจากกิดเกิดจากขันห่านั้นมันปิดขันเอาไว้หมดเราต้องมาสร้างความรู้ตัวหรือ ว, ว่าเจริญสติเข้าไปดูทุกคนก็มีบุญถึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์มีบุญมีวาชนะสร้างบา ร, รมีมาดีบา ร, รมีมาระดับหนึ่งผ่านการผ่านเวลาผ่านร้อนผ่านหนาวได้รับการศึกษาได้รับกา ร, รเรียนมีความรับผิดชอบอยู่ในระดับหนึ่งบางคนบางท่านก็ สมมุติไม่ได้ลำบากบางคนบางท่านก็สมมุติก็ยังขาดพร่องอยู่เราก็ต้องพยายามทำหน้าที่ของเราให้ดีด้วยความอดทนด้วยความอดกลั้นแล้วก็รู้จักวิเคราะห์แก้ไขปรับปรุงตัวเราทั้งภายนอกสมมติภายนอกทั้งทางด้านจิตทางด้านอารมณ์เราไม่แก้ไขเราแล้วไม่มีใครเขาจะแก้ไขให้เราได้เลยนอกนอกจากตัวของเราเอง อะไรคือกุศลอะไรคืออกุศลพระพุทธองค์ท่านสอนเรื่องอร่อยการเึกหัดปฏิบัติการเจริญสติจุดมุ่งหมายของการเจริญสติอยู่ที่ไหนคําว่าอัตตาตัวตนเป็นลักษณะอย่างไรอนัตตาความบางปล่าเป็นลักษณะอย่างไรศีลเป็นลักษณะอย่างไรศีลสมาธิปัญญาศีลระดับไหนระดับสังคมศีล ส, สังคมศีล ส, สมุติหรือศีลบีมุตศีลหลุดพ้นความปกติ การฝึกผลตนเองถ้าเป็นการชำระสะสารกิเลสจะข่้าเคร่งมากมายถึงขนาดไหนก็เพื่อที่จะลักกิเลสออกจากใจของตัวเราเรารู้จักสำรวมสำรวจถาวานทั้งหกหูตาจากมกเิ้นกายก็ทำนาทีอย่างไรดวงวิญญาณหรือดวงจิตของเรานั่นแหละ เขาเกิดเขาเทะยอทะยานอยากเป็นธาตุของกิเลสได้อย่างไรทําอย่างไรเราถึงจะชำะะระชาวจางกิเลสออกจากใจของเราให้มันหมดเราก็ต้องเจริญสร้างบา ร, รมีศรัทธาของเราเต็มเปี่ยมหรือไม่เรามีสัจจะมีความจริงใจต่อตัว เ, เราเองเรมีความข ย, ยันมันเพียรไม่หยดท้อรู้จักอดทนอดร่ำทั้งภายนอกทั้งภายในมีความเชื่อมั่นในตัวเองละความเห็นผิ ด, ดสร้าง<อ>ความเห็นถูกให้มีให้เกิดขึ้น ความเห็นถูกเห็นถูกอะไรรอบรู้ในกองสังขารแยกรูปแยกนามนั้นและสัมมาทิฏฐิก็เปิดทางให้ตามรอบรู้ในกองสังขารว่ามีอร่อยบ้างเราก็จะเข้าใจในเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ในขันห้าเราก็พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งภายในของเราเรวก็ทั้งภายนอกเราก็รู้จักชำระสะสารกิเลสออกจากใจของตัวเรากิเลสหยาบกิเลสกลางกิเลสละเอียด แต่เวลานี้เรายังคลายโมหะคลายความหลงยังไม่ได้บางคนก็คลายได้อยู่บางคนบางท่านก็ยังคลายไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่ได้เจริญสติเข้าไปแยกเข้าไปทําความเข้าใจให้โตเนืงปัญญาอาัจจะรู้เห็นตามความเป็นจริงอาจจะถูกต้องอยู่ระดับของสมมุติ แต่ในระดับของหลักธรรมแล้วเราต้องมาเจริญสติเข้าไปแยก <c oughs> เข้าไปคลาย <c oughs> เข้าไปตามทําความเข้าใจจนจิตยอมรับความเป็นจรงิงได้ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละเขาถึงจะวางให้ได้ถ้าเขาไม่รู้เห็นตามความเป็นจรงิงยากที่เขาจะวางเพราะว่าเขาอยู่ด้วยกันไม่รู้กี่พบกี่ชาติแล้วจิตก็ขันบขันหานั่นแหละเขาเรียกว่าวิปากกรรมเรียกว่าขันธรรมานซึ่งมาปรุงแต่งจิตของเราจิตของเราเขาเข้าไปรวมจนเป็นตัวเดียวกันวิ่งไปด้วยกันเหมือนกับวงกลมเหมือนกับปบบลอกเวียน ถ้าเราแยกกิจคลายจิตออกจากความคิดได้เหมือนกับเราตัดล้อเวียนออกมันก็หมุนต่อไปไม่ได้ถ้าเราตัดแล้วไม่ตามทําความเข้าใจเราก็ต้องทําความเข้าใจสํารวจให้เราเอ็นแต่และวันแต่และเวลาทุกคนมีเวลาเท่ากันวันหนึ่งมียีบสี่ชั่วโมงก็มีเวลาเท่ากันหมดแต่จะบริหารเวลาให้มีประโยชน์ให้มากที่สุดหรือไม่เท่านั้นเองทุกคนก็มีบุญอยู่แล้วอย่าไปปิดกั้นตัวเรเองอยู่ใกล้อยู่ใกล ก็พากันมามาถึงบ้านเรามาวัดก็ให้เธอเสว่ามาถึงบ้านของเราให้ดับความกังวลดับความพาุ่งฉาดต่างๆออกมีอะไรก็ให้ช่วยกันใจก็จะได้สบายมีอะไรก็ช่วยกันเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเกิดเจ็เก็บตายด้วยกันไม่ว่าพระพยิยมพิชิก็ให้มีความสมัครสมานสามัคคีมีความเชสละอย่าเห็นแก่ตัวอย่าเห็นเก็บกิตอย่าเห็นเก่บโนเดนเป็นคนมีความขยันมีความรับผิดชอบ เป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะช่วยกันดูแลเรามาอาศัยสมมติตรงนี้อยู่เราก็พยายามสร้างสมมติให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ทําสมมติให้เกิดประโยชน์ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์สูงสุดคือความมวยสุดขมลดพจนประโยชน์ในทางสมมติก็เอื้ออำวยความสะดวกให้กายกายก็จะอยู่ดีมีความสุขก็ส่งผลตั้งจิตอยาิโยมเข้ามาแล้วก็สบายใจตั้งแต่เดินทางเข้าประตู ประตูปากทางเข้าวัดก็ดูน่าร่มรื่นสะอาดตาจิตใจก็สงบเึกเิ็อั น, นิี้ส์ผลบุญก็เกิดขึ้นโดยปริยายโดยที่ยังไม่ได้ประคัดปฏิบัติอะไรเพรบุญเขาก็มีพอเข้ามาวัดได้เห็นที่น่ารื่นรมจิตใจก็สบายจิตใจก็เป็นบุญได้มาเห็นหมู่เห็นคณะเห็นเพื่อนมีอัจฉรยิยะใส่ที่นี่ก็ยิ่งทําให้ใจสบายเป็นกันเองให้เราเคารพกันในธรรมรู้จักนาที่รู้จักรับผิดชอบ มีความอ่อนโน้มถ่อมตนมีความเฉ ส, สละมีความขยันมั่นเพียรทุกคนก็รู้จักหน้าที่รู้จักทาความเข้าใจอย่าให้คนอื่นต้องได้บังคับทำโน้นทานี่ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้บุคคลเช่นนั้นจะเป็นบุคคลที่มีกิเลสหนาะชอบให้คนอื่นเขาบังคับ เ, าเขาเกี่ยวเข็องบุคคลที่มีสติมีปัญญาจะบังคับแก้ไขตัวเราเอง ความผิดพลาดเล็กๆ น, น้อยๆก็จะรีบแก้ไขไม่รอให้ต้องถึงกับใหญ่โตความอยากเล็กๆ น, น้อยๆเราก็รู้จักดับรู้จะแก้ไม่ต้องไปรอเอาความอยากที่ใจใจจิตของเราเกิดอย่างไรจิตของเราหลงอะไรกายของเราทําหน้าที่ไรถ้ามันม่นวิเคราะห์พิจารณาดูอยู่อย่างนี้เราก็จะมีตั้งแต่ความสงบมีทั้งแต่ความสุขสุขทั้งภายในสุขทั้งภายนอกสุขทั้งการกระทายืนเดิน น, นั่งนอนถ้าเราเมตสติคอยสำรุจตรวจตราดู เราก็จะได้ปฏิบัติธรรมตลอดเวลาเราก็จะได้ฟังธรรมะตากระทบรูปเราก็จะได้ฟังธรรมะหูกระทบเสียงเราก็จะได้ฟังธรรมะแต่ว่ารู้สักแต่ว่าฝักพยายามทําพยายามสังเกตเอานะการได้ยินการได้ฟังการได้อ่านทุกคนมีกันเต็มเต็มแต่การเริ่มลงมือรู้เท่าทันได้แต่อาการเขาก่อเขาเกิดอาการของความคิดอาการของอารมณ์เขาเกิดตรงนี้เราไม่ค่อยจะทันกันเท่าไหร่ก็ต้องขยัน บอกตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นบุคคลมีปัญญาฟังนิดเดียวถึงฟังแล้วไปรออยู่ที่ฟังคือความสะอาดของบริสุทธิ์ความสุข